มีคนไทยจำนวนมากนะกำลังมีความทุกข์นะทั้งทั้งที่ขอสอชอรประกาศว่าคืนความสุขให้ประชาชนไทยแล้วนะที่ทุกข์ก็เพราะว่าทีมชาติไทยที่ไปแข่งในเช่นเกมนะหลายทีมที่เป็นตัวเต็งนะแพ้นะไม่ได้เหรียญทองนะอดชิงชนะเลิศนะแล้วที่แพ้นะ เื่อว่าถูกโกงนะนะไม่ใช่ใครโกงหรอกนะเจ้าภาพนะเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แค่ไม่ใช่แค่เสียใจธรรมดานะแต่มีความโกรธความเกลียดทีมไทยถูกโกงตั้งแต่โน่นแบดมินตันนะเซควันโดพุทบอล น, นะมวยนะแข่งกับเจ้าภาพเมื่อไรก็ เตรียมตัวแพ้ได้เลยนะอันนี้เป็นความเห็นคมวิจารณ์ของอหลายคนนะตามสื่อต่างๆไอ้ความเสียใจความไม่พอใจเวลาหรือเชื่อว่าถูกโกงเนี่ยนะบางทีเราต้องกลับมาดูมาถามใจตัวเองนะวว่าที่ทุกเช่นนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ถูกใจหรือว่าไม่ถูกต้องนะมันต่างกันนะระหว่างความไม่ถูกใจความไม่ถูกต้องจะรู้ได้ไงว่าที่ทุกเนีย่ยเป็นเพราะไม่ถูกใจหรือไม่ถูกต้องแล้วก็ลองเปรียบเทียบหรือลองพิจารณาดูว่าถ้าเกิดเป็นฝ่ายเราโกงมัง่ง และทำให้ฝ่ายเราหรือทีมของเราทีมชาิของเราได้ชัยชนะเราไม่พอใจหรือเปล่าถ้าเกิดว่าฝ่ายเรานี่ไปโกงเขาแล้วก็ได้ชัยชนะและเราดีใจเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่เราโกรธนะเจ้าภาพเกาหลีวันนี้เมื่อวานนี้หรือว่าสองที่ที่ผ่านมามันเกิดจากความไม่ถูกใจนะ ไม่ใช่ไม่ถูกต้องเพราะถ้าเป็นความทุกข์เพราะไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ว่าใครโกงก็ไม่ดีทั้งนั้นนะก็ไม่สมควรถ้าเกิดว่าเวลาเราจัดกีฬาเป็นเจ้าภาพแล้วเราไปโกงเขากรรมการไม่เป็นธรรมแล้วเราเฉยเฉยนะอันนี้แสดงว่า เราเอาความไม่ถูกใจมากกว่าถ้าอะไรถูกใจเราถึงแม้ไม่ถูกต้องเราก็เอานะไปโกงเข้าแต่ว่าเราได้ชัยชนะได้เหรียญทองเราดีใจนั่นแสดงว่ามันไม่ใช่ยืนอยู่บนความถูกต้องแล้ว ท, ท่านสุรินทร์ก็เคยก็เล่าว่าเนี่ยเมื่อ12ปีก่อนนะเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพจัดบอลโลก แล้วก็ไปโกงหรือเชื่อว่าโกงนะทีมใหญ่ๆอย่างอิตาลีสเปนจนกระทั่งได้เข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายนี่คนไทยก็เชียร์นะคนไทยก็เทดีใจนาะที่เกาหลีชนะได้ทั้งที่เห็นเห็นกับตาว่ามันมีการโกงเกิดขึ้นมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นนะแต่เราก็เชียร์เกาหลีเพราะว่าเป็นเอเชียด้วยกันนะ ตอนนั้นเกาหลีโกงเราดีใจแต่คราวนี้เกาหลีโกงเราไม่ดีใจเพราะอะไรนะเพราะว่าเราเสียผลประโยชน์แล้วนะอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะไม่ถูกใจนะถ้าจะเป็นชาวพูทธนี่เราต้องเอาความถูกต้องนะถูกใจกับความถูกต้องนี่ต้องเลือกความถูกต้องมากกว่าความถูกใจถึงจะโกงแล้วเราได้ประโยชน์ มันก็ไม่สมควรนะเพราะว่ามันไม่ถูกต้องเวลาเรามีความไม่พอใจกับเหตุการณ์แบบนี้นี่ต้องกลับมาถามตัวเราอยู่เสมอนะว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยเป็นเพราะไม่ถูกใจหรือไม่ถูกต้องบ่อยครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของความไม่ถูกใจมากกว่าถึงแม้ว่าปากจะบอกว่าไม่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นเพราะไม่ถูกใจแต่ถ้าเกิดถูกใจ ก็เอานะถึงแม้จะไม่ถูกต้องหลายคนนะเวลาได้โบนัสนะทำงานได้โบนัสแล้วก็โบนัสที่ได้เนี่ยมันน้อยกว่าคนอื่นก็จะโวย ว, ยวายว่ามันไม่เป็นธรรมนะแต่ว่าถ้าเกิดตัวเองได้โบนัสมากกว่าคนอื่นนี่เงียบเลยนะไม่มีการปริปาก คือถ้าหากว่าเรามีใจเป็นธรรมจริงๆเนี่ยเวลาเราได้มากกว่าคนอื่นเราก็ต้องบอกว่ามันไม่เป็นธรรมด้วยแต่นี้เราวยวายว่าไม่เป็นธรรมก็เฉพาะเวลาเราได้เงินน้อยกว่าคนอื่นไม่ใช่เฉพาะเงินโบนัสนะบางทีเงินเดือนนะทํางานด้วยกันแต่เราได้เงินเดือนน้อยกว่าเพื่อนน้อยกว่าเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเราก็วยวาย ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเจ้านายไม่เป็นธรรมแต่พอเราได้เงินเดือนมากกว่าเพื่อนร่วมงานเราก็เงียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครๆพูดว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาได้น้อยกว่าคนอื่นนะถ้าเขาได้มากกว่าคนอื่นเขาก็จะไม่พูดว่าไม่เป็นธรรมอันนี้ใช่มากนะลองดอูลองดูที่สั ง, สงเกตที่โวยโกันเนี่ยนะ ไม่ว่าในสำนักงานหรือในที่เป็นข่าวเนี่ยถ้ามือเดตกต ก, ตกบวยไว้ว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ล่วงหน้าวันเนี่ยเป็นเพราะเขารู้สึกเขาได้น้อยกว่าแต่ถ้าเขาได้มากกว่าคนอื่นเขาก็จะเงียบนะอันนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ยืนตั้งอยู่บนหลักการแต่ว่าเอาความถูกใจเป็นหลัก ความถูกใจนี่เขาเรียกว่าอัตตาธิปไต้นะความถูกต้องเรียกว่าธรรมะทิปไตยนพระพุทธเจ้าก็ให้ชาวผู้เราเนี่ยเอาธรรมาธิปไตยหรือธรรมะเป็นใหญ่ธรรมะคือความถูกต้องธรรมะคือหลักการบางทีเราไม่รู้ทันจิตใจตัวเองนะเราก็โวยวายว่าเนี่ยมันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยแต่ที่จริงมันเป็นความไม่ถูกใจมากกว่า บางทีไอ้กิเลสมันก็หลอกเราว่าเนี่ยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่พอใจเพราะมันไม่ถูกต้องนะแต่ที่จริงมันเป็นเพราะมันไม่ถูกใจเราเพราะเราสูญเสียผลประโยชน์เพราะเราได้ประโยชน์น้อยกว่ามันไม่ใช่ตัวรังเดียวนะบาีก็พวกเราด้วยเวลาพวกเราถูกต่อว่าเราก็ไม่พอใจมาตอว่าพวกเราได้ยางไร แต่เวลาอีกฝ่ายนึงถูกต่อว่าถูกใส่ร้ายเราก็เฉยเฉยนะอันนี้ก็แสดงว่ามันเป็นความไม่ถูกต้องนะไม่ใช่ไม่ถูกใจคือถ้าพวกเราถูกต่อว่านี้ถูกใส่ร้ายนี่เราโกรธแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายคนละฝ่ายกับเราก็ถูกใส่ร้ายนี่เราเฉยเฉยอันนี้แสดงว่ามันมีอคตินะมันไม่ใช่ความถูกต้องมันเป็นเรื่องความถูกใจไม่ถูกใจนะ ผู้ชายพวนี้ต้องมีความเที่งธรรมนะอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าเราจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่เห็นด้วยทั้งนั้นไม่ต้องโกรธนะแต่ว่าไม่เห็นด้วยไม่ต้องเกลียดนะแต่ว่าไม่เห็นด้วยมันไม่มีฝั่งไม่มีฝ่ายนะเวลาเราดูกีฬาเนี่ยให้เราลองนะลองมากีฬานี่มันก็เป็นเครื่องทดสอบนะว่าเรามีใจเที่ยงธรรมหรือเปล่านะถ้า ทีมที่เราเชียร์หรือทีมของเรานะไปโกงเขาไปทำฟาวแล้วก็ไม่มีใครรู้กรรมการไม่เป่าเออเราก็เฉยๆอันนี้แสดงว่าไม่ถูกต้องแล้วนะถ้าทีมเราทำฟาวไปโกงเขานะเออถึงแม้จะได้ประโยชน์แล้วก็เห็นว่ามันไม่ถูกนะเวลาคนของเราไปว่าไปใส่ร้ายคนอื่นนะ ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเรากนะ็ก็ต้องทักต้องทวงํนะำนองเดียวกับเวลาที่ทีมของเราพวกของเราถูกใส่ร้ายเราไม่พอใจนะไม่ใช่ว่าถ้าเป็นพวกกูไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นพวกมึงยังไงก็ได้นะอันนี้เราก็เห็นบ่อยนะช่วงที่มีความขัดแยง้งนะในบ้านเมืองเนะี่ยมันก็จะเห็นได้ว่ามีความ เที่ยงทำแค่ไหนนะเอาทำมาเป็นใหญ่หรือเปล่านะอันนี้มันก็เป็นเครื่องทดสอบนะจิตใจเราได้เหมือนกันกนะีลาก็ตีนะหรือว่าการบ้านการเมืองก็ดีเวลาเรารับรู้เนี่ยแล้วเราไม่พอใจก็ต้องถามเราว่าถามตัวเองอยู่เสมอว่าเนี่ยเป็นเพราะความไม่ถูกใจหรือเพราะความไม่ถูกต้องนะถ้าความไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่มีพวกนะ เกิดขึ้นกับไทยก็ไม่ดีทั้งนั้นนะจะเกิดขึ้นกับฝ่ายเราหรือฝ่ายคนอื่นก็ไม่ดีทั้งนั้นริงไทยดีเนี่ยต้องมีความเมตตาโดยที่ไม่เลือกฝ่ายอย่างที่เมื่อวานพูดนะแม้กระทั่งเป็นทีมคนละทีมเป็นคู่แข่งกันแต่ถ้าเกิดคู่แข่งเขาเกิดมีอันเป็นไปเกิดหกล้มจมน้ำอ่านะก็ไปช่วยเขานะไม่ใช่ดีใจว่าเออคู่แข่ง ถ้ทาท่าเสียทีแล้วนะเราจะได้เป็นแชมป์หรือว่าทีมของเราจะได้เหรียญทองอันนี้เรียกว่าไม่มีความเมตตาไม่มีความเป็นมนุษย์นะความเป็นมนุษย์นี่มันต้องเหนือกว่าความเป็นนักกีฬาความเป็นนักกีฬามันต้องมันก็ต้องด้อยกว่ า, ต, ต, วาต่ำกว่าความเป็นมนุษย์จะเล่นกีฬายังไงก็อย่าให้ความเป็นนักกีฬามันคลองจิตครองใจจนลืมความเป็นมนุษย์นะเพราะถ้า เอาความเป็นนักกีฬามาครองตีครองแจมก็จะคิดแต่เรื่องชัยชนะแต่ว่าถ้าเป็นถ้ามีความเป็นมนุษย์เนี่ยชัยชนะมันก็จะสําคัญน้อยกว่าการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะโดยที่ไม่มีฝักไม่มีฝ่ายเนี่ยชาพุทธนี่เขาจะจะไม่ติดสมมุตินะไอ้ทีมชาติทีม น, น้นทีมนี้มันก็เป็นสมมุตินะที่จริงความเป็นมนุษย์ก็ยังเป็นสมมติอยู่นะแต่เป็นสมมุติที่มันกว้างกว่าประเสริฐกว่า ความเป็นชาตินั้นชาตินี้เป็นมนุษย์ยังเป็นสมมุตินะเพราะว่าปรนัยความจริงขั้นปรมาณละเนี่ยมันไม่มีมนุษย์นะมันไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาแม้แต่ความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีนับภาษาแล้วความเป็นชาตินะบางทีเราไปติดยึดกับความเป็นชาติมากจนทั่งเราลืมความเป็นมนุษย์นี่แย่นะหรือว่าติดยึดความเป็นมนุษย์จนไม่สนใจสัตว์นะอันนี้ก็ไม่ถูกนะ เอาความประโยชน์สุขของมันเป็นหลักจนลืมประโยชน์สุขของสรรพสัตว์อันนี้ก็ไม่ถูกต้องจ ะ, จะเป็นมดจะเป็นแมลงจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีสถานะหรือควรได้รับความเมตตาจากเราเหมือนกันอย่างที่พูดมเมื่อวานนะพระโพธิสัตว์ยอมสละชีวิตเพื่อช่วยลูกเสือไม่ให้ถูกแม่กินอันนี้เรียกว่าท่านไม่ได้สนใจนะว่าสัตว์หรือคนล้วนแต่มีคุณค่าสําหรับความเมตตาทั้งสิน้น เตรียมรับพร